ตสปาปิยาสิกาวิไนบางทีอนุวาธาธิกรไม่อาศัยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสติวิไนสองอมุรหาวิไนแต่พึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือ 1. สมุขาวิไนสองตัสปาปิยาสิกาบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินนินนี้โจรภิกษุด้วยคารุกาบัตคืออาบัตหนักในท่ามกลางสงว่าท่านต้องคารุกาบัตคืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่าน ผมระลึกไม่ได้เลยว่าต้องครุกาบัตเห็นป่านี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกภิกษุผู้เป็นโจท์นั้นย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นผู้เปลื้องตนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัตเห็นป่านนี้คืออาบัตปาราชิก หรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกไซส์พิสูจน์จำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกไม่ได้ว่าต้องคาุกาบัตเห็นป่านี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกแต่ระลึกได้ว่าต้องอาบัตแม้เล็กน้อยเห็นป่านี้ภิกษุผู้เป็นโจทดนั้นย่อมคาดคั้นภิสูจน์จำเลยนั้น ผู้เรื่องตนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัตเห็นปานนี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัตเล็กน้อยชื่อนี้ผมไม่ถูกถามก็ปฏิญญา ผมต้องครุกาบัตเห็นปานนี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกผมถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญญาหรือภิกษุผู้เป็นโจ์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านอันหนึ่งท่านต้องอาบัตแม้เล็กน้อยข้อนี้ท่านไม่ถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญญาท่านต้องครุกาบัตเห็นปานนี้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 ต้องครุกาบัตเห็นป่านี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกคำนั้นผมพูดเล่นคำนั้นผมพูดพล่อยไปผมระลึกไม่ได้ว่าต้องครุกาบัตเห็นป่านี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกภิกษุทั้งหลายสงพึงลงตัดสปาปิยศสิกากรรมนั้นแก่ภิกษุนั้นแหล่